การที่ท่านมีเมตตาจิตตรรสดรเกรงว่าจะได้รับความลำบากกันมากมายกุศลจิตนี้ใหญ่หลวงนักถ้าหากท่านยับยังได้สำเร็จก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเดพลังแห่งกุศลกรรมนี้จะยิ่งใหญ่อีกหลายเท่าหนักแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ากระทำเพื่อชนหมูใหญ่แล้วใสความดีนั้นก็ใหญ่หลวงยิ่งนัก หากทำดีเพื่อตนเองแล้วใไม่จะทำดีขนาดไหนก็ได้ผลเล็กน้อยมากลูกจงจำไว้ว่าการทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีมากหรือน้อยเพียงใดก็ ข, ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำความดีนั้นเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตนเองความดีข้อที่8 คือความยากง่ายในการทำความดีสมัยก่อนท่านผู้คงแกรเรียนมักจะพูดวา่าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่คมใจได้ยากที่สุดซะก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สําคัญเสียแล้วยอมจักเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์งท่านของจือชื่อฝานฉือ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 ที่มนทนเจียงซีมีท่านผู้เฒ่าแทซูท่านยังชีพด้วยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึ่งมีชายกว่าหนึ่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้เจ้าหนี้ก็จะยึดภริยาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าสูเกิดความสงสารสามีปรรยาคู่นี้ยิ่งนัก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 ด้วยความบังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นอนุปรยาของท่านผู้เฒ่าแต่ท่านกลับไปยอมรับความบังดีนี้ท่านให้เหตุผลว่าท่านนั้นชราภาพแล้วส่วนเด็กสาวนั้นอายุไม่ถึงยี่สิบปีควรจะได้สามีที่มีไวัยไล่เรียกกันท่านจึงไม่ควร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 ไปสันเสริญจนทั่วท่านเองก็ทำตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกๆวันจนการเวลาได้ผ่านไปนหนึ่งปีชาวบ้านพากันสำนึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทำดีต่อกันแหลกกันในที่นี้นะพอจะต้องบอกให้รู้ว่าพ่อไม่สนับสนุนเรื่องการจับปลามาเป็นอาหาร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 แต่ถ้ามนุษย์นำมัจจรไนเอาความเป็นยกออกมาจากหินแกะสลักให้สวยงามก็มจะเป็นของมีค่าสําหรับฮ่องเต้และขุนนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวเอาไว้แสดงถึงความบุญหนักศักย์ใหญ่ยามที่ฮ่องเต้ออกขุนนางก็งต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินขุนนางเข้าเฝ้าฮ่องเต้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 คนชั่วมักเกรดชัางคนดียิ่งในชนบทบางแห่งที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบกลมเหงคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่ครัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบมีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นขี้ปากคนชั่ว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 คริสศักราช618ถึง907หรือพุทธศักราช1611หรือ1450มีคุณนางท่านหนึ่งท่านเกียหนังสือสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนชาวจีนมีความเคารพนับถือท่านมากเมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรม ยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาจากฮ่องเต้ให้เป็นที่หวนเป็นการเชิดชูผลงานอันมีทั้งร้อยแก้วร้อยกลองที่เยี่ยมยอดนั่นเองเจ้าบ้านพากเรียกท่านว่าหานหวนกงท่านเคยกล่าวไว้ว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไป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 ส่วนข้อนี้นะพอยกตัวอย่างให้ใช้คำพูดใช้หนังสือเป็นตัวอย่างลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะไม่ได้ผลเลยดุดดังคนป่วยแต่ยาตรงกับโรคก็จะหายวันหายคืนเหมือนคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างแต่เราใช้คำพูดตักเตือนเขาจะไม่เชื่อโดยง่าย พูดไปก็เสียเวลาเปลา่าแต่เป็นคนได้มีนิสัยอ่อนโยนการตักเตือนด้วยคำพูดมักจะได้ผลลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกจะต้องดูคนเป็นต้องอ่านนิสัยได้ถูกต้องแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนเช่นใดสมควรตักเตือนด้วยคำพูดคนเช่นใดสมควรในขอ่านหนังสือ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 หากลูกพบเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลูกจะต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและจะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์โดยสติปัญญาของลูกอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การช่วยนั้นไม่ประสบความสำเร็จท่านช่วยจือ่อซึ่งเป็นคุณนางในราชวงศ์หมิงในปลายสมัยพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ปีคริสตกรกันราอ1488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 เช่นขุดคูส่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในนายามนาดแรงหรือสร้างตำนบเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือซ่อมสะพานที่จำรุดเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือให้ทานอาหารแก่คนอดอยากหรือให้น้ำแก่คนกระหายแล้วลูกกับคนชักชวนเจ้าบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันกระทาความดีร่วมกันใครมีเงิน ก็ออกเงินใครมีแรงก็ออกแรงพนดึกกำลังให้เข้มแข็งจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นหากใครว่ารายลูกก็จงอย่าใส่ใจแต่เราทำดีโดยสุจริตแล้วใครๆก็ย่อมเข้าใจและช่วยปกป้องลูกซะอีกลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรคใดๆก็อย่าได้วางมือเป็นอันขาด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 ไม่ห่วงหน้ากังวนหลังใครทําของเราเสียใครขโมยของเราไปก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเพราะเราเสียสละได้หมดจริงๆผู้จะไม่สามารถเสียสละได้ทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทําทานบริจาคทรัพย์เสีย ก, ก่อนคนในโลกนี้เห็นว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตและเงินเท่านั้น ที่จะบรรดาลให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงให้ความสำคัญแก่เงินเท่าชีวิตหาด็กคิดสักนิดไม่ว่าหากยังมีลมหายใจมันก็ดีอยู่หรอกถ้าหมดลมเมื่อใดมีใครเคยเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างไหมอุติรักเงินยิ่งชีวิตจึงควรฝึกตนให้รู้จักการบริจาคทรัพย์ให้ทานซะบ้าง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 ในสมัยราชวงศ์โจหรือจิวทป็นโจโกงซึ่งเป็นใจเสี้ยงของพระเจ้าเฉินหวังได้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจหลี่อันเป็นต้นําหรับที่ราชวงศ์ต่อๆมาถือเป็นแบบฉบับว่าเดกการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของขอ้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณี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 ว่าข้อที่สความท่อมตนคำพีอี้จริงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมท่อมตน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 เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วย่อมจะเห็นได้ว่าสูงจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไปเป็นสามฟุตก็มีเทพเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่แล้วเราจะต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลเลกเลี่ยงการกระทาอันเป็นอปมงคลเสะจะดีจะชั่วจึงอยู่ที่ตัวเราเองถ้าควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราให้ดี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 พวกนักศึกษามักบนบวงเทพยาดาฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่คยมีความจริงใจการบนบวงจึงไม่ได้ผลนักปราดทันเมงจือพูดกับพระเจ้าฉีเวียนหวงว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วใส้ชะตาของประเทศฉีก็จะครุ่งเรืองสุขใสเป็นแน่แต่นี่พระองค์โปรดดนตรี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 ธรรมสภา35ทับ270ซอยจรรรสนิทวง62ถนนจรรรสนิทวงบางพลัดกรุงเทพ10700ธรรษัพท์434 3566 434 4โท67